สิบหลวงพรอชาก็ได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษตอนนั้นท่านก็พาอาจารย์ซูมเมโตแล้วก็พระฝรั่งอีกสองสารูปไปกับท่านด้วยตอนนั้นยังไม่มีวัดอมรบดีไม่มีวัดจิต สัตว์จิตวิเวกเนี่เพราะว่าอาจารย์เพราะว่าวัดเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่อาจารย์สุมเมทโทได้ปักหลักอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์ในปีนั้นแหละ20เพราะว่าพอขากลับก็ก็กลับแต่ หลวงพ่อชาแต่ว่าอาจารย์สมัยโถก็ไม่ได้กลับด้วยตอนที่หลวงพ่อชาได้ไปแสดงธรรมที่อังกฤษนะตอนนั้นก็มีท่านก็พักอยู่วิหารเรื่องวิหารแฮมสเตดนมันไม่ใช่ไม่เชิงเป็นวัดทีเดียวมีวัดไทยอยู่แล้วตอนนั้นนะ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 ประเพณีอย่างที่วัดไทยในต่างประเทศนะเน้นหนักกันเมื่อันเฮมสเตดนี่ก็อยู่กลางกุ ล, ลองดันเป็นย่านที่จอแจพอสมควรนะมีน้ำซ้ำตรงฝั่งตรงข้ามก็เป็นผับเป็นบาร์นะักลางคืนก็จะมีเสียงดนตรีนะ ช่วงคืนก็เป็นช่วงเวลาที่พระแล้วก็โยมกำลังนั่ง ส, สวมดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็แสดงธรรมก็เย็นวันหนึ่งหรือข้าวันหนึ่งเนี่ยนะหลพรอชานั็นก็ชวนพระแล้วก็โยมนั่งสมาธิมันก็มีเสียงดนตรีนะดังเข้ามานะหรืกระทึกพอสมควร พระแล้วก็โยมนะก็นั่งสมาธิไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่อาจารย์สมัยโทท่านก็ก็เล่าว่าเนี่ยช่วงตอนนั้นเนี่ยรู้สึกหงุดหิดมากกับเสียงที่ดังเข้ามาแต่ขณะที่ใครต่อใครหน้านี่พี่ขุ่มูดขณะที่นั่งสมาธิหลงพระชากับนั่งสงบ เหมือนกับว่าท่านกำลังนั่งอยู่ในป่าอยู่ในอยู่ที่หนองประพงนั่นนะเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิเสร็จท่านก็แสดงธรรมตอที่นั่งสมาธิก็นานนะประมาณสี่สิบนาทีได้เสร็จแล้วก็แสดงธรรมตอนที่แสดงธรรมก็เสียงก็คงยังรบ ก, กวนอยู่ต่อไปเมื่อแสดงธรรมเสร็จโนะยมนะ ฝรั่งนะซึ่งเป็นเจ้าภาพนมงก็เข้ามาหาหลวงพ่อชาแล้วก็กราบขอโทษนะว่าที่มันมีเสียงรบกวนเสียงดังขณะที่ทำสมาธิทำให้นั่งสมาธิกันไม่ค่อยได้หลวงพ่อชาท่านก็ยิ้มแล้วก็ตอบว่าเนี่ยยมคิดว่าเสียงมันรบกวนเรานะ แต่ที่จริงอะเราต้องหากที่ไปลบกวนเสียงท่านะพูดแล้วก็ยิ้มก็ไม่รู้ยมเข้าใจหรือเปล่านะแต่อาจารย์สุมเมโทโธเขาได้ฟังก็ก็ได้สติเลยนะ่ยหลวงพ่ชาคงจะต้องการที่จะพูดว่าเสียงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละนะแต่ใจเราต้องหากนะที่ไป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 เมื่อไม่ดีแล้วจะต้องไปจิตก็จะไปสู้รบตกมือกับเสียงนั้นไอ้ใจที่ไปสู้รบตกมือกับเสียงนั้นเนี่ยหรือว่าไปทะเลาะบอแวงกับเสียงนั้นอันนี้แหละทำให้เป็นทุกข์ท่านหนึ่งพูดว่าเนี่ยเสียงไม่ได้รบกวนเรานะแต่เราไปรบกวนเสียงไปรวมรันพันตูวกับมัน ลองสังเกตดูก็ได้นะเวลาเราไปดูหนังแล้วก็มีคนพูดคุยกันอยู่ข้างหลังหรือว่ามีเสียงโทรศัพท์ริงโทนดังใจเรารู้สึกอย่างไรกับเสียงนั้นหรือว่าขณะที่กำลังฟังทำอยู่มีเสียงโทรศัพท์ดังหรือว่ามีเสียงคนพูดคุยกันเสียงมาจจะเสียงก็ไม่ก็ไม่ดังอะไร เสียงลืงโทนก็จะเพราะที่ซ้ำนนะแต่ทำไมใจเราเป็นทุกข์นะเวลาใจเราเป็นทุกข์เราก็โทษเสียงนะแต่ว่าไม่ได้ดูตัวเราดูใจเราว่าไปทำอะไรกับเสียงนั้นหรือเปล่าคนเรามักจะโทษสิ่งภายนอกเวลาทุกข์หรือเวลามีปัญหาแต่ไม่ได้กลับมาดูใจของเราว่ามัน เป็นตัวการหรือเปล่าว่าชางทนเคยพูดไว้นในอีกที่หนึ่งว่าเนี่ยเวลามีหลุมนะแล้วเราเอามือล้วงเข้าไปในหลุมนั้นเพื่อจะหาของสักอย่างถ้าหาว่าล้วงไปไม่ล้วงไม่ถึงเนี่ยนะก็มักจะพูดว่าหลุมมันลึกนะแต่ไม่เคยมีใครที่จะ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 แต่ว่าไม่ค่อยกลับมาดูตัวเองเอแล้วเราเข้าใจเขาหรือเปล่าเนะี่ยแขนเราสั้นไปหรือเปล่าหรือว่าเราไปไปไปเอาคําของเขามาบมกบมุญคุณคิดหรือว่าไปเอามาเล่นงานจิตใจเราหรือเปล่าเนะีนะ่ยเขาพูด แล้วเขาก็ลืมไปแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังเก็บเอาคำเหล่านั้นเนี่ยมาทิมแทงตัวเองมาบยตีมาทำร้ายตัวเองนะความทุกข์เนี่ยนะโดยพอทุกข์ใจเนี่ยมันก็เหมือนกับเสียงดังแะนะ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 เกิดใจเราไม่ผ่อนคลายเกิดใจเรากาลังเครียดกําลังคิดที่ตกกังวลถึงพ่อนึกถึงเป็นห่วงลูกนะหรือว่ากลุ้มอกกุ้มใจกับความเจ็บป่วยของตัวเนี่ยกินอาหารราคาแพงเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกว่าอร่อยหรือมีความสุขฟังเพลงนะซื้อตั๋วราคาเป็นหมื่นข้อบรรเลงดียังไงแต่ใจเราก็ไม่มีความ เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันพร้ะเพราะอตอนนั้นใจเนี่ยกาลังวิตกกาลังเป็นห่วงกาลังคุ้นคิดนะใจเราต้องพร้อมด้วยนะกินอาหารถึงจะอร่อยฟังเพลงจะเพราะแถ้าใจไม่พร้อมความสุขก็เกิดขึ้นไม่ได้แม้จะได้เศษรูปรสกลิ่นเสียงที่ประณีตนะที่วิเศษก็ตาม ความสุขชั้นใดความทุกข์กชันนั้นนะมันก็ความทุกข์นนนนะกกใจนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกเดียวอยู่ที่ใจเราด้วยรูปรดกลิกลกก่นเสียงที่ไม่น่าพอใจแม่มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายของเรานะียมันก็ไม่ทําให้ทุกข์ใจได้ถ้าหากว่าใจไม่ไปเออ อ, อหอหมกนะไปร่วมมือด้วยนะหรือไม่ไปลงมือ้ เสียงทำให้ทุกข์ใจไม่ได้ถ้าหากว่าใจไม่ไปสู้รบตบมือกับเสียงนั้นมันไม่ใช่แค่เสียงเดียวนะอาจจะอย่างอื่นด้วยนะรูปด้วยก็ได้รูปหรือภาพที่เราเห็นมันก็ไม่ได้รบกวนเรานะแต่ถ้าเราทุกเมื่อไหรก็เป็นพราะใจเราไปรบกวนกับรบกวนรูปนั้นอันนี้รวมถึงอารมณ์ด้วยอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนะ ความคิดฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นในใจความคิดฟุ้งซ่านในขณะที่กำลังนั่งสมาธิเนี่ยความคิดเหล่านั้นไม่ได้รบกวนเราเนาะมันก็เป็นของมันของมันของมันอย่างนั้นแหละมันก็เหมือนกับพยับแดดหรือว่าแสงที่วา่าแสงที่บูบมาแต่เป็นเพราะเราไปรบกวนมันต่างหากไปรบกวนความคิดฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้น รบกวนยังไงนะก็ไปสู้รบตกมือกับมันไปทะเลาะเ บ, บาแวงกับมันไปกดข่มไปไปผักใสมันนะสังเกตใจเราไหมเวลาเจริญสติเวลานั่งสมาธิเรามีความคิดฟุ้งซ่าเกิดขึ้นโอ้ยเราจะสึกหลายคนจะเครียดทันทีเลยนะแล้วก็บอกว่าโอ้ย นั่งสมาธิไม่ได้เลยความคิดฟุ้งซ่านเหลือเกินความคิดฟุ้งซ่านมันไม่ได้รบกวนเราอาจจะเราเพียงจิตตะวันเห็นมันเห็นมันมันเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่ก็ดับไปแต่พราะเป็นเพราะไปซู่ลบตบมือกับมันอันนี้เราคือความหมายที่หลวงพ่อฌานใช้คำว่ารบกวนเป็นรบกวน่ไปสู้กับมันไปกดข่มมัน จรงๆทำเช่นนั้นเน่ยทำเช่นนั้นเพราะมันมีความความรู้สึกลบต่อเสียงนั้นนะจิตเราเราตั้งท่านะหรือเราให้ค่ากับมันว่าเป็นลบนะความคิดฟุ้งซ่านใ น, ในเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัตินะในเวลาที่ฝันกลางวันเราก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรกับไอ้ความคิดฟุ้งซ่าน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 ไปประคองความโกรธเอาไว้หรือว่าไปเป็นผู้โกรธเนี่ยอันนี้ก็ก็ทำให้ทุกข์ได้ทุกข์แล้วยังไม่รู้ตั ว, วก็ยังยังอยากจะโกรธต่อไปไปคุดคุยเรื่องของคนที่ทำให้เราโกรธเนี่ยก็ไปคิดไปคุยเอาเรื่องเก่า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 ให้อภัยเขาหรือไม่ก็พาจิตกรรมอยู่กับปัจจุบันเพราะส่วนใหญ่ที่โกรธเนี่ยมันก็พราไปนึกถึงเรื่องในอดีตเ้าก็ไม่อยู่ตอนหน้าเรานะแล้ที่เขาพูดเขาก็ลืมไปแล้วอันนี้เียว่าเขาไปเป็นผู้โกรธไปยึดไปแบกมนนันแต่ถ้าเกิดว่าเราเรามีสติเห็นมันเน เห็นนันเห็นก็คือเห็นเฉยๆหรือว่ารู้ซื่อๆดูมันเฉยๆเหมือน้วกับเรานั่งอยู่ริมตะลิ่งแล้วเราก็ดูกระแส น, น้ำไหลผ่านมันก็ไม่มีอะไรอะไรจะผ่านหน้าเราไปจะเป็นเรือสำรานจะเป็น ผู้คนที่กําลังร้องทาทําเพลงสนุกสนานหนุ่มสาวบนเรือสําราญเดินผาแล้วะแล่นผ่า น, า น, านไปแล้วก็แค่ดูเฉยๆไม่นึกอย่ากที่จะไปร่วมวงกับเขาด้วยกอกอผักตบหรือว่าหมาเน่าลอยน้ามาแล้วก็เห็นมันดูนไปแล้วก็เห็นมันผ่านลอยไปไม่ได้ไปคิดไป เรบตกมือหรือว่าไปผักสายอะไรมันถ้าเราทำงั้นก็มันก็ไม่เหนื่อยอะไรอาการการจริเซติเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ใจเราเหนื่อยเลยอาจจะเมื่อยนะเมื่อยกายเพราะว่านั่งนั่งนานๆหรือว่าเดินนานๆแต่ว่า ใจนี่ไม่ได้เหนื่อยอะไรอต่ถ้าเราดูเป็นนะแต่ถ้าเราดูไม่เป็นนี่มันก็เหนื่อยนะเหนื่อยการไปกดข่มความคิดสกัดกั้นความคิดไปดักจ้องความคิดนระวมทั้งเหนื่อยกับเสียงที่ได้ยินนะราคาญยุงมแมลงที่มาตอมเนะี่ย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 ให้เราฝึกดูใจนะดูใจของเรานะเวลาเวลามีความทุกเนี่ยเวลามีความทุกใจเนี่ยอย่ามัวแต่ส่งออกนอกเดียวให้กลับมาดูใจของเราด้วยเพราะว่าใจเราก็เรียกว่ามีส่วนมากทีเดียวหรือเป็นตัวการนะทำให้เกิดความทุกข์ใจทุกการนี่ตัวการอาจจะเป็นสิ่งภายนอกนะเป็นหลัก แดดร้อนน้ำแล้มหรือว่าก้อนหินที่ที่มาทิ่มหรือมาถูกตัวเรานี่ยแต่ว่าถ้าเป็นทุกข์ใจแล้วนี่ไอ้ตัวการสำคัญก็คือใจที่ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นไม่ถูกต้องเนี่ย ว, วางใจไม่ถูกวางใจไม่เป็นแต่ถึงแม้ปฏิบัติไม่ถูกเช่นไปนยึดไปผัก อยึด ก, กับผักดีมันก็ดูมันตรงข้ามกันแต่ก็อันเดียวกันแหละยิ่งผักมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยึดมาเท่านั้นยิ่งพยายามผักษาไปจากใจก็ยิ่งยึดติดยิ่งจดจอ่อแต่ถ้าเกิดว่าเราถึงแม้เราวางใจหรือปฏิบัติต่อสินนั้นไม่ถูกต้องแต่ถ้ามีสติรู้ทันนะมันก็ จิตก็กลับมาเป็นปกติไอ้ที่เคยยิดเคยแบกก็เคยก็วางซะไอ้ที่ผักใสต่อร้อต่อเถียงทะเลาะ ว, วิวาสกับมันก็กลับมาหยุดซะนดูมันเฉยๆแต่ว่าไอ้การที่จะดูเฉยๆแบบนี้มันก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันมันเป็นการสวนสวนทางกับนิสัยความเคยชินเดิมๆที่สะสมมานาน คนเราสะสมนิสัยที่จะไปทําอะไรต่ออะไรมากมายกับสิ่งที่มา ก, กระทบนะมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้อะไรที่ไม่ถูกใจนะก็จะไปโลมลานทําตูกว่ามันไม่ว่าสิ่งที่ไม่ถูกใจนั้นอยู่ภายนอกหรืออยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าเป็นความคิด อารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจที่เรียกว่าธรรมารมที่ยังมันมีนิสัยตั้งแต่เริ่มให้ค่าตีค่ากับทุกสิ่งอยู่แล้วเห็นอะไรก็ให้ค่ากับมันก็ตีค่าว่าดีไม่ดีมันจะตีค่าแบบนี้อยู่ตลอดเวลาดีก็อยากได้ไม่ดีก็ผักใส เ, เมื่อดีถ้าดีก็ยินดีที่เจอ ถ้าไม่ดีก็เกิดความยินร้ายขึ้นมาศัจธ ว, ว่าได้ยินสัจธ ว, ว่าเห็นศักจธ ว, ว่ารับรู้นี่มันทำกันไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเราถูกฝึกมาอย่างแบบแบบนั้นนะให้ตีข้าวทุกอย่างหรือให้ค่าจับสิ่งต่างๆโดยไม่รู้ตัวเลย แม้กระทั่งในฝันนะเจอใครบางคนก็ในฝันก็โอ้ดีเจอคนบางคนในฝันก็ไม่ดีนะเนะี่ยอันนี้มันมันฝังอยู่ในจิตไร้สันึกไปซะแล้วแต่ที่จริงมันก็ถ่าทอทออกมาได้นะาการฝึกการเจริญสติการภาวนาเนี่ยมาช่วยทำให้เราได้รู้ทันอาการของใจหรือปฏิกิริยาต่างของใจนะ ถ้าเราถ้าเรารู้ทันแล้วนี่นะอย่างน้อยใครทำอะไรนะกับเราเราก็ไม่ไม่หลงไปไปรวมรันพันตัวเขาด้วยหรือว่าเราไม่เราก็ไม่ผิดไม่พลาดอย่างเหมือนอย่างเขานะเนขาผิดเขาพลาดเขาเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราไม่ไปไปพลาดด้วยไม่ไปตอบโต้แบบเดียวเขาด้วย ซึ่งทำให้ปัญหาลุกลามหรือทำให้เราทุกข์มากขึ้นมีผู้ชายคนหนึ่งนะัแก่เล่านะก็เขียนเรื่องนี้ไว้ในหนนะังสือเรื่องอุบายธรรมวันหนึ่งก็ขับรถพาหลวงพ่อไปที่แก่งครอระ่างที่ขับรถนี่แกก็ขับรถสบายๆกับรถไม่ได้เร็วอะไรแต่ว่าจู่ๆมีรถขนึงสวนมาแล้วก็ กินเลนล้ำเข้ามากินเลนอ่ของรถหลวงพ่อเร็วมากเลยนะคนขับรถก็เลยเลี้ยวเยวลีเ้ยวรถหลบข้างทางด้วยความตกใจแล้วก็พูดขึ้นมานี่ว่าทำไมทำอย่างนี้นะทำไมทำไมขับ เข้ามาในเลนของเราแบบนี้นะถ้าหลบแม่ทังนี่แย่เลยนะลุงพ่อได้ยิ น, นเสียงเขาทนะ่าทางทั้งตื่นทั้งโมโหเลยก็เลยพูดเตือนขอเขาบาๆว่าเขาหลงนะแต่ว่าเราอย่าหลงแล้วกันนะเขาหลงนะแต่ว่าเราอย่าหลง เขาหลงมากินเลนของเรามากินทางเราแต่ว่าเราอย่าหลงหลงในที่นี้คือว่าใจไม่หลงนะตอนที่คนขับรถพูดอย่างนั้นเนี่ยเขากลังตกใจแล้วเขาก็กลัว เ, เขาโกรธ ด, ด้วยนะเราอย่าหลงเนี่ยก็คือเราไม่ไปหลงพลัดเข้าไปในอารมณ์นะตื่นตกใจหรือว่ากลัวหรือโกรธหรือว่าเศร้าหรืออะไรก็ตาม เราจะไม่พลัดเข้าไปในความหลงได้เนี่ยนะก็ตอนเมื่อเรามีสติรู้ทันใจของเราตอนที่เขาขับรถมากินเลนเราแล้วเราเก็ไม่พอใจแล้วก็ตกใจหรือว่าโกรธเนี่ยถ้าสตินี่ไวมันก็จะเห็นนะเห็นนาการของใจแล้วก็หลุดจากแล้วทำให้ใจนี่หลุจากอารมณ์นั้นได้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 ดีก็ตามโชวก็ตามฟู ก, ก็ตามแฟบ ก, ก็ตามบวกก็ตามลบก็ตามมันดูบ่อยๆนะเห็นมันบ่อยๆมันจะรู้ทันเวลาเกิดเรื่องฉุกเฉินเฉพาะหน้านเนี่ยเพราะคนหนึ่งเขาทำไม่ถูกคนหนึ่งเขาทำผิดทำพลาดแต่ว่าเราก็ไม่เราก็จะไม่พลาดแบบเขา คนอื่นนี่เขาจะทำอย่างไรบ่งทีก็มันห้ามไม่ได้นะแต่ว่าเราสามารถสิ่งที่เราทำได้คือเราไม่ทำอย่างเขานะหรือว่าไม่ไปทำให้ไม่ผสมรงทำให้ปัญหามาลุกลามมากขึ้นนะใครก็จะโกรธก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราอย่ากโกรธนะ ใครเขาจะโวยวายอย่างไรก็เป็นเรื่องเข้าแต่ว่าเราอย่าทําำสิ่งที่หลวงพ่อท่านเตือนคนขับรถนี่มันเตือนใจเราได้ดีเหมือนกันเขาหลงนแต่ว่าเราอย่าหลงแล้วกันนนนะั้ถ้าเราถ้าเราทํำงี้่ก็ถ้าก็เรามีสิ่งรักษาใจน มีเครื่องรักษาใจไม่ให้ทุกขนะ์ซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ที่เราควรควรมีควรทํานะต่อชีวิตจิตใจของเรานะคนเรานอกจากมีหน้าที่รักษาตัวให้รอดมีชีวิตอยู่รอดได้แล้วนะก็หน้าที่ใหญ่อีกอย่างหนึ่งคือรักษาใจไม่ให้ทุกขนะ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม รักษาใจไม่ให้ทุกข์นี่จะไปไม่ได้ไม่ได้เกิดจากการไปเรียกร้องให้ใครต่อใครทำดีกับเราเนี่เพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่เรียกร้องไม่ได้แต่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าเขาจะทาอะไรกับเรานะแต่ว่าเราก็ไม่ทุกข์ได้เรามีสละนะมีสละที่จะไม่ทุกข์ได้ไม่ใช่ว่าเขาทำเขาทาไม่ดีไม่ใช่ว่า เขาทำไม่ดีกับเราเราถึงจะทุกข์หรือว่าเราจะสุขได้ก็ต่อเมื่อมีคนทำดีกับเราถ้าเป็นแบบนี้ชีวเราก็ไม่เป็นอิสระนะไม่เป็นอิสระเลยสุขหรือทุกข์ของเราขึ้นอยู่กับกา ร, กรทำของคนอื่นถ้าเกิดมาแล้วเราปล่อยตัวปล่อยใจให้เป็นแบบนั้นมันก็ไม่คุมนะเอาสุขและทุกข์นี้ไปผูกติดอยู่กับการกระทำของคนอื่นหรือว่าขึ้นอยู่กับสิ่งรอบตัว คนเรามีความสามารถที่จะเป็นอิสระนะสุขหรือทุกข์ของเราไม่ได้ผูกติดอยู่กับใครมันอยู่ที่การวางใจของเราเองเนี่ย น, นี่เป็นอิสระที่ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักเนะี่ยอิสระคนส่วนใหญ่ก็เมื่อถึงการทำอะไรก็ได้การมีสิทธิ์ที่มีอิสระ พ, พิพที่จะทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ถูกรัดเปื้นด้วยข้อบังคับแต่ว่า จิตจะเป็นธาตุนะวัตถุเป็นธาตุเป็นธาตุสิ่งเสษนะอันนี้เป็นธาตุแม้กระทั่งสิ่งที่ง่ายๆนะใกล้ตัวนะเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยขาดไปไม่ได้เลยขาดเมื่อไรชีื่นน้สึกอ้างว้างรู้สึกว่าไม่รู้ทาทําอะไรไม่ถูกนะสูญเสียความมั่นใจตัวเองอันนี้เป็นเงนเยอะนะเริ่มเป็นเงนเยอะเขา มีการศึกษาหลายชิ้นที่ชี้เห็นเลยว่าคนจํำนวนมากนี้พอไม่มีโทรศัพท์มือถือใ ก, กล้ๆนี้แต่ทุกทาอะไรไม่ถูกจะสุดอ้างว้างรู้สึกรู้สึกแย่เนะี่ยอันนี้เรียกเป็นธาตุนะแต่มันไม่ใช่เป็นธาตุสิ่งภายนอกเป็นธาตุสิ่งภายนอกนี่ยังพอสังเกตง่ายแต่เป็นธาตุสิ่งภายในเลยเป็นธาตุอารมณ์ที่มาที่เกิดขึ้นอันนี้มันยาก ซึ่งที่จริงก็เกิขึ้นจากการที่ไม่มีสติได้รู้ทันแทนที่จะเห็นมันก็เป็นมัน้าก็เลยอยู่ในอหนาของมันไปเลย